ไ ม, มไม่มีไม่มีหรอใช้ไม้ด้ ก็หลักอ่านเรื่องของ Allah อันนอลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์คอรักอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเห็นยังครับเนี่ยตัวเรามาต้องเรียนคนเป็นมุสลิมจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องเรียนหนังสือครับแล้วก็สิทฟัตของมนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์เล่าเองนะครับตอนที่สร้างอาดามมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรับไหมอิสลามเนี่ยรับครับเป็นอมามำนานยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์เล่าว่า มนุษย์เนี่ยจอเลมแล้วก็ยาฮูยาลเป็นคนที่อาธรรมอาธรรมกับตัวเองอาธรรมกับคนอื่นแล้วก็ยาเฮนเอกชอบอยู่เฉยเฉยไม่ชอบเรียนแต่หาสตางค์นะเกง่งอ่าใช่ไหมเนี่ยผิดหมดเลยนะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องถ้าหากไม่พัฒนาตัวเองนะเรียกว่าคนซอเลมไม่พัฒนาตัวเองใม่อ่านหนังสือเขาเรียกว่าคนยาเฮล ออลเล่าเลยอ่ะออลอัครวจนั้นเราต้องขอบคุณออลเล่าที่ออลเปิดหูเปิดตาเราเปิดใจเราเนี่ยทั้งทั้งที่กลับไปบ้านเป็นนอนต่อเลยก็ได้ใช่ไหมก็นี่แต่มานั่งสวัสดิอดทนอาทิตย์ที่แล้วมาอยู่ไปอยู่ ป, ยปากประยูนห้ามตัวเลยแล้วกลับไปสอนตัปสีนี่แหละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณออลที่เรามาอ่านกุณอ่านสุรยาซีนเนี่ยเป็นสุรทิที่ดีมากเลยนะความเย่งทุกอายาในคุณอ่านดีทั้งหมดนั่นแหละ ท่านบางคนก็ท่องจำกรอ่านสุรยาสีถ้ารู้ความหมายนี่อัลเราหัมดูลีลลยดีมากเวันนี้มาอายาที่ห้บอดนะครับวันนู้ฟิกาะฟิซูร์ فإذا هم من الأجداس إلى ربهم يرسلون วนูฟิกาฟิสูร์ فإذا หุมินะอัจดฟส فإذا หุมินะอัจดัสอิลารับบิมยัซิลุนอะลลอฮุอะลลอฮฺทำได้เอาสับไปก่อนนะนูฟิกาเนี่ยแปลว่าถูกเป่านี่เอาเล่าให้ฟังนะ บนโลกดุนยาไปนี้จะมีอะไรเกิดมาอีกเยอะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนูฟิขอจะถูกถูกเป่าฟิสูดในที่เป่าหรือที่เป่าที่เป่าจะถูกเป่าพออยู่ไปอยู่ไปเด้วจะมีเสียงโอโลอว่า ด, ดังโอโลอแก้วหูแตกหมดแล้วา إ ذ ا มิ من ا ل أ ج د ا จงดูจงดูเถิดฟ้าเนี่ยจงดูเถิดพวกเขาจะยันซิลูนยันซิรูนแปลว่ารีบเร่งนะครับรีบเร่งอิลารอบบิหิมอย่างพระผู้อภิบาลของเขาอัจะดาสแปลว่าหลุมฝังศพ แปลว่ากูโบใช่ไหมเนี่ยคําว่ากูโบมีสองคำนะอ j a d a s ก็เรียกว่าหลุมฝังศพหรือว่ากูโบก็เรียกว่าหลุมฝังศพแล้วหลุมฝังศพนี่มีเป ล, ล่มมปามีครับเคยเห็นไหมทุกสุเราเน่ยส่วนใหญ่ก็มีมีกูโบกูโบกูโบเดินผ่านกูโบเนี่ยได้ข้อคิดเยอะแตนี้คนที่เข้าใจศาสนาเวลาเดินผ่านกูโบเนี่ยก็ทําไงเขาให้สลาม ยืนนิพพัตตุบะ a s s a l ม m u a อาลดยารมิลุมมิเนนวัลมุสลิมินว่าอินนาอินชาอัลลอฮบิุมลาฮักู Ass ah um um นเวลามองเนี่ยนะอย่าไปมองแค่ไมส้สองอันนะ่ะอยู่หัวกับเท้าใช่ไหมอย่ามองแค่นั้นหรือมองหลุมสูงๆขึ้นมาดินนวนๆมาอย่ามองแค่นั้น ให้มองลึกลงไปในกูโบะนึกถึงภาพอ่ะเราจะต้องไปนอนอยู่ในกูโบเนี่ยโขมผ้ากี่ผืนสามผืนแล้วเขาเขาจับนะไม่ใช่เราทำเองหรอกเขาจับใส่ในกูโบหลังหันหน้าไปทางจิบหลัดนึกอยู่คนเดียวอยู่ใต้ดินอ๋อฮะอ๋อนี่ถ้าอัลลอ์ส่งมลอิกามาถามนี่จะตอบได้หรือเปล่า ต้องนึกตลอดเวลาเลยถ้าไม่นึกอร่อยอยู่บนทุนยาที่อร่อยอ่ะอาการเมืองก็อร่อยใช่ไหมเพลินเลยสนุกคนนึงเชียร์นู่นคนนึงเชียร์นนยฝ่ายนี้แต่เราในเชียร์ัอเชียร์รอซูลต้องนึกใหม่ใช่ไหมอน น, นกตแต่เล็กๆน้อยๆกอนวานุฟิคอฟิซูรแล้วที่เป่าจะถูกเป่า ฟไฟละหุมดังนั้นจงดูเถิดไฟละหุมมีนลัจดาสีละร บ, บิหิมยานสิลูนพวกเขาจะออกจากหลุมฝังศพอ๋อเห็นยังครับพอเป่าครั้งแรกเนี่ยนะครับสรุปเพราะเรื่องเป่านี้ไม่ประมาณนั้เกือนคุณอ่านประมาณหกครั้งนะ นูฟีขอเนี่ยแปลว่าถูกเป่าถูกเป่าถูกเป่าในคําพี่์กผมเช็คแล้วมีอยู่หกครั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครั้งครั้งที่หนึ่งนูฟขอฟิสรูริฟสซอกอมัมฟิสมาว่าอยู่ในสุรัซูมุรซูมรอายที่6กเป่าครั้งแรกนี่นะผู้คนสรบหมดเลยนะเป่าครั้งแรกเนี่ยสรปหมดเลยนะ ผู <unlucky. S 2> ้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินสลบหมดนี่เอาล้อเล่าให้ฟังละคคาายวมใครมีความสามารถทําี้บ้าได้บ้างไม่มีครับนี่เอาล้อเล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะตายก่อนนั่นนะแล้วต่อมาครับอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จะไม่ให้ตายไม่ให้สลบเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองวานูฟิคอ สุมมานูฟิคอฟีอุครอแล้วก็จะมีเป่าครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งเป่าครั้งที่สองฟอฟซาหุมติยามุยโยรูแล้วจงดูเถิดพวกเขาจะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนหมดเลยแบบแบบอายานี้แหละอายานี้ก็มอการลุกขึ้นจากไหนจากกูโบ อัลลอฮฺกว่าต่อมาครับวานูฟคอฟิสนนี่ครั้งครั้งครั้งที่สแล้วนะครั้งที่หนึ่งอายนี้ครั้งที่สองมุตะกี้นี่นะัครั้งที่สมก็ก็ยืนไปอยู่ในกูโบแล้วเออไปยืนอยู่ที่ไปคอยการตัดสินข้อที่สวนูฟคอฟิสูริยาวาลกยมุลวดและที่เป่าจะถูกเป่านั่นคือวันแห่งการ สัญญาว่าจะจะรับการลงโทษที่เป่านี่นะคนไม่ดีจะได้รับการลงโทษเลยนี่เป่าครั้งที่4ี่แล้วนะครั้งที่5้าวา น, นูฟีวานูฟีคอฟิสูริฟาจามานาฮุมจามาสุราะอัลกาฟีอายะที่เ9แล้วที่เป่าจะถูกเป่าแล้วเราจะรวมพวกเขาทั้งหมดใช่ไหม จะยุกจะนอนอยู่ในกกโบโลกแห่งไหนก็ตามมารวมในที่แห่งเดียวกันหมดเลยนึกนึกภาพตรงนี้แล้วมารากสององค์พาน่ะอีกคนนึงนำอีกคนนึงจูงเราไปนี่เรามองภาพคนดีก่อนนะภาพคนชั่ววันละมาแล้วอีกอาย่านึงฟาอีซกนูฟิคอฟิซู ฟละลอันซาบับไบนหุมยาอุมอิดิุม ว, วละลายาตาซ อ, อัลูนนี่ครั้งที่หกนะเมื่อที่เป่าได้ถูกเป่าจะไม่มีการความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติไม่มีนี่เล่าให้ฟังก่อนนะความสัมพันธ์ระหว่างผัว ก, กับเมียไม่มีครับลูกกับพ่อไม่มีเต๋วะไม่มีตัวใครตัวมัน นี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็าตามใจแต่มีแน่แนอเห็นยังครับแล้วก็เวลายาตาซาอาลูนัลล่าเล่ า, ลาอีกแล้วพวกเขาจะไม่ถามกันพอฟื้นขึ้นมาจะไม่คุยกันพอฟนะ่ะถึงจะรู้จักหน้ากันก็ไม่คุยกันนะ่ะเห็นยังเห็นยังครับพอเป่าเนี่ยพอเป่าที่เป่าปั๊บเนี่ยปัญหามันตามมาเต็มเลยนเนี่ยวันนี้กําลังรอกันอยู่เนี่ย รออักบอสฉะนั้นมีกุญแนอยู่ในมือมีกุญแนอยู่ในหัวใจมีนามาอยาให้ขาดซึ่รุ่นล่ออย่าให้ขาดขอดูอาอยาให้ขาดอรอแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องเราใครจะด่าจะว่าเชื่อในคนด่าไปรักก่อนึกสิถ้าเราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าญาติพี่น้องเราจะด่าเราอ่ะค น, นด่าไป ก็เพราะนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างของเราใช่ไหมถูกด่าใช่ไหมนบีโต้ตอบไหมไม่โต้และเรามาโต้อะทำไมไม่เดินตามนบีอ่ะซอบ้านนบีทั้งหมดไม่มีใครโต้วเวลาใครเขาด่ามาตาหนิมาเขานั่งฟังเฉยๆอยรมณ์บบทำตัวเหมือนเหมือนถูกเป่าสังอะพอถูกเป่าสังปั๊บยังไงล่ะไม่มีการถามกันวันนั้น่ะ ถ้าจะถามบนดญงยาถามว่าอายานี้อยู่ในสุร้อนไหนอย่างนี้ไม่ไ ม, ไ, มไม่สง่างามก ว, าากว่าเนี่ยทำทีไรละรัวกลัวเนี่ยอ่านดูอาใช่ไหมอ่านดูามีอยู่กี่บทคำถามถูกมั้งสิไม่ใช่บทเดียวนะ่ะสุภานอ ร, ร บ, บิยาอาลีมใช่ไหมนอกจากยังมียังมีอีกไหมมีครับดูอาของท่านนาบีเน่ะอย่างงี้เป็นต้นก็ลังถามดูสอิอาจารย์ ตามสูญนะเห็นสุูญนานๆอ่นานตัวยานบทไหนอ่านกันกี่เที่ยวต้องรต้องศึกษาความรู้กันที่มาหาจะ อ, อยู่ตลอดเวลาอย่างงี้เป็นต้นนะตัวร้องว่าเปล่าสังได้มีกี่นน ค, รครั้งนนอานกุรอานหกครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับนี่อัลกุรอานในยะานนี้นะที่เราอ่านยอดห้าสบเอ็ดวานูฟิคอฟิสูและที่เป่าจะถูกเป่า ฟาอิซาหุ ม, มินัลอาจดาสดังนั้นจงดูเถิดพวกเขาจะออกจากอาจะดาสแปลว่าหลุมฝังศพรอใครทำได้อะออกจากหลุมฝังศพ บ, บ้านอาทิตย์ะไม่เล่ า, างี้ตะปาดผมพอดินดินมันติดผมอะตะปาดผม นบีเล่าเองน ะ, ะคนที่เกิดก่อ น, นใครรู้เปล่าท่านนบีมุฮัมมัดเกิดก่อนอัลลอัลมุสลัมคนที่ตายก่อนนายุคนบีอาดามยังไม่ได้เกิด น, นะเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติใครให้เกียรติอุห ม, มะของนบีมุฮัมมัดเป็นพิเศษเลยนะเราต้องภูมิใจอัลลอาลที่เรามีนบีเป็นบุคคลตัวอย่างมีสุนา่านบีให้เราได้ศึกษาหาความรู้ให้เราได้ปฏิบัติตามท่านอย่าไปด่าสุนา่านบี ยาพน้องนบีเล่าเองฉันเป็นคนเกิดก่อนเป็นคนแรกจากกูโบนะรองโลงมาลูกสาวฉันฟอติมาแล้วคนที่เกิดมาตั้งยุคแรกๆสมัยนบีอาดัมเราเราหลังที่หลังเราเราเกิดก่อน <laughs> อัลฮัมดูลิละฉะนั้นคนในยุคกอ่อนๆเนี่ยหลายคนบ่นว่าอยากจะเกิดอยู่ในสมัยของนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสันละเราเป็นคนมีราคานะมาใช่เราเป็นคนมีเจ้าของนะเอา้า ใครเป็นเจ้าของเราอัลลอฮฺเป็นเจ้าของถ้าเป็นแพะแกกับแพะที่มีเจ้าของไม่ดีกว่าไม่มีเจ้าของใช่ไหมอังกิร์เป็นตันะนี้อธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับออันหมาอีกเที่ยวหนึ่งวาฟูดวาโนฟีคอฟิสูรและที่เป่าจะถูกเป่าฟาอิซาหุมมินัลอะจดัส จงดูเถิดพวกเขาจะออกจากหลุมฝังศพของพวกเขาอิลารอ บ, บีฮิมยันซีลูนเขารีบรุดอัลนี่รีบเลยนะเพราะออกมาจากกูโบภาพในรีบเลยตะกายไปไหนนึกผ้า อ, ออกไหมไปที่ทุ่งอะไรทุ่งมาชัดมาชัดเ ป, ป็นภาษาลาบนะทุ่งที่รวมกันอโลอักบัรแล้วก็นุ่งผ้าเปาา ผ้าไม่มีครับรองเท้าไม่ได้ใส่ด้วยครับน บ, บีเล่าเองแล้วก็อวัยวะเพศยังไม่ได้ถูกตัดด้วยท่านหญิงอัสชาถามน บ, บีวันแล้วก็ไม่จ้องมองกันหรือจะเป็นมอวงอะไรแล้วตัวเคนจะให้จะรอดหรือเปล่าน่แล้วก็อลัลลอฮ์เล่าอีกนะคนพอฟื้นม า, าพับนะของในอดีตที่ทาทามวันทนดวกจาจำหมดเลยอะ่ะตอนนี้ทาท่าจะลืมใช่ไหม พอตายล้วฟื้นขึ้นมาจำหมดตั้งแต่อะไรนะอากิากนบาลริกจำหมดเลยฉันทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ของดีของชั่วจำแมดเลยตายจริงเนี่ยแล้วก็จะต้องไปถูกสอบสวนนึกสินึกภาพอ่ะนี่อัลล์เล่าให้เนี่ยนบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้อยู่ในคัมภีกุรอานละฮัมดุลิลละเอาต่อมาอายะที่ห2บ "قالوا ياويلنا منبع لنا مما من رقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الله أكبر قالوا ياويلنا มัมบาซานามิมร์กดินาฮะดะมะวะเดอร์อัลลอฮ์มานวะซดะควลมุรสลูอัลลอฮ์ أكبر กอลูแปลว่าพวกเขาจะกล่าวว่าสงใจนี่นะ ของทางมุกมินทง้งมุกมินคงไม่พูดอะไรเพราะมุกมินนรู้แล้วแกต้องถูกฟืน้นเพราะถูกอบรมใช่ไหมอ่านคุรานมาตลอดไอ้คนที่พูดกับคนที่ไม่เคยอ่านกุรานเนี่ดูมันพูดว่าไงนะยะวัยเลนความวิบัติแกเราเอยถ้าจะแปลพลวกเราบความชิบหายกูแย่แล้วอีก ความวิบัติแก่เราเอ๋ยนี่ภาษาของคนที่ไม่เอาอิสลามก่อนตายพอฟื้นขึ้นมาจริงๆพูดว่างไงนะยาไวละนาะความวิบัติแก่เราเอ๋ยความวิบัติเนี่ยแปลว่าวัยรุ่นถ้าไวละนาะความวิบัติแก่เราถ้าวัยรุ่นอย่างเดียวนะ่ะแปลว่าความวิบัติ ความวิบัตในการพีคุรานมีทั้งหมดกี่ครั้งรู้ไหมเออที่ผมเช็คได้นะประมาณสิเจดครั้งแต่จะเล่าสักสิบครั้งก่อนนะสิ 10. ความวิบัติมีใครบ้างจะได้รับความวิบัตินะครับพอทีหนึง่งคนกาเฟสจะได้รับความวิบัติแน่นอนครับกาเฟสแปลว่าอะไร คือคนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธรอซูลขณะที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮฺไม่เอารอซูลและไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ไม่เชื่อว่ารวยจนนี่มาจากอัลลอฉันทำเองหมดแบบกวรู้เลยคิดแบบกวรู้เลยและปฏิเสธอัลลอฮแบบา้าดแบบฟื้นเรไงเรื่องที่สอง ฟาลุลลิลกอเซความวิบัติเคยกับใครใหรอมไ้มกลุ่มชนที่หัวใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้างไม่เคยนึกถึงอัลลอฮสุบฮานาูัตลวลุลลิลกอเซยกูบุมมินิกริลลัดอัลลอฮท่านคนที่จะรับความวิบัติในโลกอาคิรอนหลังจากฟื้นขึ้นจากกูโบ คนที่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เราปลอดภัยไหมเราปลอดภยนะัยในอิชาละนะอฮ์ยาลอฮ์ให้ปลอดภัยนะมุมมินมุสลิมทั่วโลกปลอดภัยหมดอิชาลอฮ์เพราะว่าเรานี่นึกถึงอัลลอฮ์วิเรูะล่อดอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่สามครับคนที่จะความวิบัติไวลุลิลมุตอฟฟิฟินความวิบัติ จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักค้านาข า, ขาและโกงตาช่างมดออฟฟิศไปว่าโกงตาช่างช่างไม่เต็มเวลาจะเอาเนี่ยช่างเต็มเวลาจะขายช่างน้อยลถนุน่นลดนลอรอจากสิบกิเหลือเท่าไรเหลือเก้ากิวันหนึ่งซื้อสิบคนก็นแต่กิโลแล้วอย่งานนนงนั้นนึกถึงเงนิงนเงินเงินเงินอย่างเดียวไม่นึกถึงว่าไอ้โกงตาช่างนี่บาปหร่อไม่บาป เองถูกแน่ๆถ้าไม่เตาบาตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนตายถ้าตาบาตัวห้ำด้วยแล้วให้รอดหมดนะถ้าดันตัวรังค้าขายจนกระทั่งตายไม่เคยไม่เคยโกงตาช่างทุกทีเลยทําตาช่างแบบไหนก็ทำนี่ก็ทำนี่เกงจังว่าทววําท ใ, หทให้งอบ้างให้เหล็กแข็งบ้างอะไรบ้างอะไรก็ตามแต่เองถูกหมดนั่นแหละนี่อัลลอฮ์เตือนก่อนนะเองอยู่บนดุนยานี่ค้าขายอิสลามส่งเสริมรการค้าแต่อย่าโกงตาช่าง ต่อมาครับฟาไวลุลินมุซอลินข้อที่สี่นะความวิบัติจับคนที่นมาดอา้าวคนนมาดวิบัติได้ยังไงอะ่ะเนี่ยล้อเตือนเองอะ่ะนมาดแบบใจโรนมาดแบบลุกลุกนมาดพอเข้าเวลาไม่ยอมนมาดนู่นนั่งคุยกันดูละครเพลินคุยเรื่องการเมืองฉันยุ่ทักนี่นะไม่ ใช่เว้ยมันต้องอย่างงี้อะไรเงี้ยนะเถียงกันกล้าจะหมดเวลาอีกยี่สิบนาทีจะเข้าจะหมดออสรีเข้ามาก็ี๊ปะมาทปัปัปัปัปัปัปัปัไม่คูชัวเลยอะ่ะเองถูกแน่เปลี่ยนเปี ย, <c oughs> ปย mache? นซะนี่นี่ขอนสอนบุกมุสลิมนะเองต้องนามาดแบบคูชัวอ่าค่อยๆนมาดค่อยๆรู้กัวค่อยๆสู้ยุดอ <c oughs> <c oughs> ัลลอฮฺอักบาร อย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับไวลุลิกุลเลหุมาซาติลุมาจาในข้อที่หนะความวิบัติกับใครบางคนที่ชอบนินทาคนนินทามีสองอย่างชายวาจากับชายท่าทางยกตัวอย่างภรรยานับีมีหลายคนบางคนนี่เขาก็ไม่เคยลงรอยกันมีไหมมีครับแต่เขาลงเขาไม่ลงรอยแค่วันสงวันเขาเลิกอ่ะ แต่เราไม่ลงรอยกันห้าปีสิบปีอ่ะทีนี้บางทีก็รอเรียนเนี่ยคนนั้นน่ยละมันอ้วยนยังบ้าทท่านะตัวเตี้ยม่จะพูดแร้กนะทาท่าเองถูกนะนี่อิสลามเห็นยังครับเป็นห่วงมนุษย์เลยสอนลัพยาลเรียนกันนะอย่านินทานินทาด้วยวาจาพูดตรงๆเลยบางคนกลัวบาป นึกว่าฉันแน่แล้วนะทำท่าอย่างเงี้ยอ้วนตัวเตี้ยนบีบอกว่ารูปบาไอ้ท่าทองสองท่าของเธอเนี่ยนะถ้าเป็นสาสานเอาไปใส่ทะเลทะเลเน่านะที่นบีสอนนะ่ะฉะนั้นมุมีนต้องอยู่สะอาดบริสุทธิ์ขเขาไใครด่าเรานินทาเราปล่อยเข้าไปแต่เรา ไม่มีปัญหาเชิญตามสบายเลยเพราะเราเอายึดคุณอ่านเป็นแบบในการดาเนินชีวิตของเราเอาต่อมาครับไวลุ ล, ลิกุ ล, ลิอฟากินอซีมคนที่พูดโกหกทั้งหมดแล้วก็นึกนะพูดโกหกนะ่ะไอตัวตัวละครอะไรตัวอะไรอ่ะชอบอะคนวัเาะนึกนะ่ะนั่นก็เข้านะูะโกะหกนะัะ ล้วคนหัวรอกันหมดอาชีพนี้เออเป็นสักปีสองปีก็พอแล้วแล้วพอเลิลเลกเต๋อบาตัวซะพูดแตคนหัวรอกพูดโกหกเล่าโกหกแปะไปเนี่ยึง่งคุยดีมาห้าเรื่องพวกเรื่องที่หกโหกเนี่ยระวังนะครับยิ่งโกหกต่ออิสลามอีกโกหกต่อคำพูดของท่านนาบีโอ้โหนี่อันตรายมากเลยนะครับต่อมาครับ คนที่ฟาวัย وإذا قيل لهم لا يركعون فويل ال يومئذ ม ي ل م ك ز ي บินเวลาเขาเตือนให้ไปนมาศไม่ไปนมาศเองถูกแน่ครับนี่ก็ความชิบหายความวิบัติกับคนที่ได้ยินเสียงอาญาแล้วที่บ้านเตือนแล้วยอเตือนแล้วมะเตือนแล้วไม่เชื่อเนี่ยระวังเอาๆแค่นี้นะพี่น้องครับ เรื่องมันยาวนะเอาแค่หกสี่ห้า 6, 4, รายการก็พอเอามาดูอาย่านี้กอรูยวัยละณาความบิบัตแก่เราเอ่ยมันมันดวะว่าผู้ใดบาอาสนาะให้เราฟื้นขึ้นบ า, าอาสนะตว่าให้เราฟื้นขึ้นมิมมารกอดีนาจากที่นอนของเรามารกอ์แปลว่าที่นอนของเราไม่ใช่มารกา์สนะ ม า, ากอดที่นอนเราก็ได้แปลว่านอนทําไมต้องพูดอย่างนี้อุลมะอธิบายอย่างนี้ที่เขาบ่นว่าฉันนอนอยู่ในกูโบเนี่ยใครปลุกฉันขึ้นมานอนอยู่ในกุโบเนี่ยแค่แค่ฝันว่าจะถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฝันร้ายน่ะแต่พอฟื้นมาเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเห็นจริงๆเลยกูถูกแน่แน่ที่ฝันมาวันนี้เจอแล้ว มาก่อนแค่ฝันใช่ไหมฝันว่าถูกนุ่นถูกนี่ถูกงูกัดอ๋อนี่ฝันไปอะ่ะอา้าวตัวยังโอ้ยังปลอดภัยเนี่ยนะแต่พอฟื้นขึ้นมาจากกูโบเนี่ยเจนหนักเลยก็พูดไงนะไม่มารกอดีนะใครปลุกฉันมาจากที่นอนของฉันนอนอยู่ในกูโบน่ยถูกลงโทษเหมือนกันแต่แค่ฝันไปทรมานนะถูกงูกัดเหือนกันแต่มรรยากาศจริงๆแค่ฝันนะ แต่พอฟื้นขึ้นมาถูกจริงเลยอ่ะทายจริงแล้วก็บนไงโอ้ใครปลุกให้ฉันมาจากที่นอนของฉันนอนอยู่ในกูบูนะมันสบายอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวมาเจอปัญหาหนักกว่าเก่าอีกเอาตัวต่อไปคำตอบฮาลลนี่แหละมาว า, ารดรรมานผู้ทรงกรุณาปราณีได้สัญญาเอาไว้แล้ว ได้เล่าให้คุณฟังแล้วบอกแล้วว่ามีวันกี่ย่างมากจริงแต่คุณไม่เชื่อเลยปล่อยตัวปล่อยตัวลงเอาตัวมาครับวาซาดกอลมุรุซาลูนและมุสซั่งแต่ว่าบรรดารอซูลที่ถูกที่ถูกส่งมาเนี่ยมาสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกนบีสอนหมดเลยถ้าคุณก็ปฏิเสธก็ไม่เชื่อครับ วันเกียร์มาให้มาเล่าหันกียร์มาดุนยายังไม่รอดเลยอ่าไอ้คนสอนก็บ่าครูเหมียกจะสอนแล้วว่าถูกแอนตี้ถูกต่อว่าตุนลงว่าอัลลอฮ์สัญญาไว้ว่ า, ว, าวันเกียร์มาไมีจริงไหมมีจริงต้องฟื้นจากกูโบจริงไหมจริงคําพูดของใครครับว่พาพดารุมานพระผู้ทรงกรุณาปานี่หมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยทรงสัญญาเอาไว้แล้วข้อที่สองว่าซอดากอลมูร์ซาลูน และบรรดารซูลได้กล่าวสอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสอนแล้วก็แปลว่าเรื่องจริงที่รซูลสอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยรซูลทุกทกท่านที่มาในโลกนะี่นะที่ออกมาจากปากทุกมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยยิ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยทุกวาจาทุกคําพูดท่อยคำที่ออกจากมากบ้านนั้นเป็นวัยหมดเลย agers, เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนบีจะพูดอะไรจริงหมดเลยครับไปบอก Akbar, อัลลอฮเอาอุบิลลาอาต่อมาอายาที่ห้าสิบสาตัวลงมาตาแล้วฟื้นไหมฟื้นอายาไหนนี่ไงมัมบาสนามิมมารอกอดีนาะไปบนอัลลอฮใครปลุกฉันจากที่นอนนอนสบายๆเจอข้างนอกเีกอลลอเต็มไปหมดแล้วอาต่อมาอายาที่ห้าบสามอิงกานัต إلا صيحة واحدة، فإذاهم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذاهم جميع الادينا محضرون แล้วแล้วผมพูดยำไปกับยำมาเห็นไหมเตือนคนอ่านคนอ่านหลอกอะไรกันส่วนใหญ่จะพูดจังหวะนั้นวันกี่ยามะมีจริงอดูสับอินดต่ว่าไม่มีอะไรกานัดไม่มีอะไรอิลลานอกจาก ซอยหัันเสียงดังๆังเพียงเสียงเดียวหรือเสียงกำปนาตว่าให้ดตันครั้งเดียวนี่เล่าเลยนะเน้นนะเสียงกำปนาเสียงดังๆเพียงครั้งเดียวเนี่ยทุกวันนี้เราก็รอกันอยู่เมื่อไรจะมารอเสียงกำปนางานใหญ่นะแล้วก็ทุกคนเนี่ย แล้วก็เสียงจะมาใวันไหนรู้ไหเคยอธิบายระยะวันไห น, ไห น, ว, น, ไหนวันสุกนึกภาพคนที่เป็นมุมลิมใ น, นวันสุกก็อยู่ที่ไหนกันนะ่ะอยูในมันสยิดแล้วก็ตายกันหมดนะแล้วคนตายต้องทํากี่อย่างสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งอาบนา้ำสองห่อผ้าสามไปขอดวงอาสี่พาไปฝังเราทําอย่างวันนั้นน่าวันสุกนะอ่ะเราอาบน้ําแล้วใช่ไหม แล้วก็ใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ๆใช่ไหมแล้วใส่เครื่องหอมแบบคนตายเลยใช่เลยวะใช่โอ้ยนี่ของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากนาบีสอนอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มุสลิมปลอดภัยหมดแต่คนที่ไม่ปลอดภัยก็คือคนที่ไม่เอาอิสลามอ่ะไม่เอาคุรานไม่เอาซุน่านับีอัลลอฮ์ก็บรรสงสารน่ะถึงจะพูดวาจาไวแล้วนากูไปไม่รอดดวยมาต่อมาครับ อินกานต์อิลลาซอยฮะดะซอยฮะตั ว, ห, วนหนึ่งเสียงกำบานาณเพียงครั้งเดียวเสียงเดียวฟาอิลาฮุมแล้วจงดูเถิดอย่ามีเอาละได้นาพวกเขาทั้งหมดละได้นะแปลว่ามาอยู่ต่อนหน้ามว้วดรุณถูกนำมาไอ้ไหมไม่ได้มาเองน่นนะ เรานี่นะวันละฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ออกเองนะไม่ใช่เดินไปทุ่งมาชัดเองมวดวรุณมีคนนำเอามาเอง อ, อ้าวคนนำใครนึกภาพนะยมาดกอิกามระกอิาที่อยู่กับเรานี่แหละที่อยู่บนทุงญานี่นะไปโผลนะ่หน้าในวันเกียยมาอลโลนี่มรดกะมีจริงเลยเนี่ยตายจริงอัลลอฮฺอักบาร ฉะนั้นของเทว่าเรบนะสองของที่มองไม่เห็นวันนี้อย่าพูดว่าไม่มีมันมีครับแต่เราังมองไม่เห็นอัลลอฮอักุัะทีนี้นี่นะมออ่านอาจะนี่ความกลัวมันก็มาใช่ไหมล้ะทีนี้ตอนอยู่บนดุนยานี่ยคุรานก็สั่งนะทำตัวให้ปลอดภัยจากการ ฟื้นคืนชีพในจากจากหลุมฝังศพเนี่ยและไม่มีการทรมานใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะมันต้องมีสเบียงมันต้องมีสเบียงพาไปแล้วก็สเบียงเนี่ยอย่าไปคิดเองสเบียงก็คือคุรานอธิบายอย่างนี้นะครับฟาอินนะคอยรซาดิต a ั w a z a าต w a สเบียสเบียงที่ดีที่สุดก็คือตักวา อาตักวาเอาไว้อาตักวาไปลว่าอะไรสำรวมตนระวังตัวอย่าทำความชั่วนั่นก็เรียกว่าตักวานี่นะคุรานสอนเองนะอลัลลอฮฺสอนเองนะคอยรุ่าดิตักวาสบียงที่ดีที่สุดที่พาติดตัวไปนอนอยู่ในกูโบไม่ถูกทรมานฟื้นขึ้นมาจะลุงมฝังศพก็ไม่ถูกทรมานสบียงตักวา ละตักวาเนี่ยจำได้ไมั้ยล่ะเดือนเดือนเดือ น, เ ด, อนเดือนระมดลที่เราบวนนะได้อะไรได้นะละอันละคุมตัดตะกูนใช่ไหมถือบวชได้ตักวานามาดได้อะไรรู้ไหมได้ออกห่างจากความชั่วแต่ละอย่างที่อัลลอฮฺให้เราปฏิบัติเนี่ยดีหมดเลยถ้าเราศึกษานะเดือนเดือนระมดลปกป้องเราไม่ให้ทําความชั่วแล้วก็นามาดเนี่ย ชี้นาเราไม่ให้ทําบาปนข้าใจไฮัมดุลิลลาห์บริจาคเงินของเราเนี่ยช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ย ร, ร, ร, รักษาให้ห้าอย่างนะหนึ่งรักษาตัวเองสี่ที่สี่ไม่ใช่ห้าหนึ่งรักษาตัวเองรักษาครอบครัวรักษาทรย์รักษาลูกเข้ายังเงินเรามีาบริจาคไปทางของอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์ ทีนคนที่หาสเสบียงตักัาใส่ตัวนี่นะแล้วก็กลัวอลัลลอฮ์สมาเสมอนี่นะไม่กล้าทําบาปนี่นะภาษาอัลลอฮ์ใช้ อ, ชอีรตาหนึ่งอูรุ ล, ลบเป็นคนที่ฉลาดด้วยเป็นสเสบียงอาคิรอแล้วก็ระวังตัวกลัวอลัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยอลัลลอฮ์ตั้งชื่อหมายว่าอูลุลอัลบาเป็นคนที่ฉลาดเพราะว่างโง่แล้วก็มโหไม่พอใจ ย, อยังไง วลาลุลิลอุลุลอัลบาบมีอยู่สีอาญานะในคุณอ่านนะคนที่ฉลาดมีสีมีมีอยู่สีอย่างหนึ่งคนที่กลัวอัลลอ์เป็นคนฉลาดสองคนที่นึกถึงอะไรนะเก็บประวัติของบรรดา น, นับดเนียอุเนีอบนียบนีอบนีบนียบุ น, นบดอัดนยบนีบนยบุยบ uh ammad, บบีอุเนอบีัตนอบุนอบเอเอลเนอนั้นนะ เอาไว้ในใจเราแล้วก็อบรมคนในบ้านเราคุยกันกับญาติพี่น้องเราเอาประวัติของนบีมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายเป็นคนฉลาดทตนี้เราก็มาสงสัยม่ได้อ้างนาบีเท่าไราเลยนะพอคุยกับการเมืองกันไหนจัมงว่ะล้มการเมืองนี่แหละโอโ้โหโชสามนิ้วกับไอ้ภาคสีขาวขาวเรยนะ ก็คุยเล็กๆหนน้อยพอแล้ว อ, อย่าเอาประวัติของนบีมาสอนกันมาอบรมกันอัลลออกวัตอย่าลืมนะโลกโดุยาโล ก, กนการหลอกลวงนะท้าไมเข้าใจอิสลามอย่างเดียวนอนล้มหมดเลยอ่ะแบมีเป็นต้นยกตัวอย่างนะเข้าใจนะอินกานตอิลลัซัยฮะตาวฮิดะ فإذا ฮ م ม جميع لدينا محضرون อิงกะนัตไม่มีอะไรคือไม่ต้องรออะไรนะถ้าจะรอก็รอเสียงกำปนาทเพียงเสียงเดียวดังดัง فإذا ฮุมดังนั้นนะครับจงดูเถิด ทั้งหมดเหล่านั้นจะมีอ้นละไดนามุฮดบรูนพวกเขาจะถูกนํามาอยู่ต่อหน้าเราต่อหน้า ah. อัลลอฮ์เห็นยังครับ น, นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดพลาดไปไหนไม่ได้ครับตอนนี้คนจะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัลกบรัตโลซันหมดเลยนะอ้าไม่เชื่อลองดูสิอัลลอฮ์อักบรัตต่อมาอายะที่ห้าสิบสี่ فال يوم َ وم, ل َ <Allahu Akbar. S 1> ا تظلم نفس شيئا ولا تجازون إلا ما كنتم تعملون الله أكبر فال يوم لا تظلم نفس شيئا ว่าลาตุเจซาวนนอิลลามะคุณตุมตั้งมลุนอียาวเนยเดินไปบ่าวันนี้แต่อาะหมายว่าวันนั้นหมายถึงวันวันกียเามัวันนั้นเนาะมาไหนวันที่ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วมายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เรียกว่าอียาววันนั้นอ่า ลาตุสลามูจอเลมอ่าบเดิไมไปว่า m, จอเลมกะเลมไป่ว่าอะไรอาธรรมลาตุสลามนักซุนชีวิตไม่มีชีวิตใดที่จะถูกอะไรนะถูกอาธรรมถูกอายุติธรรมไม่มีชีวิตใดสักคนหนึ่งจะถูกอะไรนะจะถูกปฏิบัติโดยอายุติธรรมไม่มี เรื่องย้เลมไม่มีอัลลอฮ์ไม่เคยย้เล่มใครนี่อัลลอฮ์มันมีสิทธิ์ที่ดีนะไม่เคยอาธรรมกับใครไม่เคยแกล้งใครทําอะไรได้อั น, นั้นไม่ทําไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เคยอะไรนะสร้างความอาธรรมหรือว่าไม่ปฏิบัติโดยอยุติธรรมนะครับ ไม่มีชีวิตใดที่จะถูกปฏิบัติโดยอายุติธรรมใช้อันแม้แต่น้อยเฮ hey, งครับเน้นนะใน่ะ ก, กีได้เลยนะเรา ถ, ถึงว่าเชื่ออัลลอฮ์นะไว้วางใจในอัลลอ์นะมอบตนต่ออัลลอ์นะเนี่ยที่เรากลัวน่ะกลัวจนใช่หรือไม่ใช่กลัวจ น, น, วจนทีนี้คนนี่นะถ้ามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นี่นะ ความจนไม่มีหรอกทีนี้วิธีที่จะสแสวงหาฤสกีคุยเรื่องจนอย่างเดียวก่อนนะสแสวงหาฤสกีเพื่อจะเพิ่มพูนฤสกีนะ่ะมีทั้งหมดตั้งสิบอย่างนะุณ น, กนักการพิคุณอ่านหมดเลยแต่เนื่องจากรามันจะสายใจนะกลัวไปหมดเลยนะกลัวจะจนนะ่ะเอามาดูวิธีเยอะเพิ่มฤสกีนะ่ะอะไรบ้างหนึ่งอิสติกฟาร์เยอะๆให้ยัง อัสตัลฟิรุลลอฮ์อัสตัลฟิรุลลอฮ์อัสตัลฟิรุลลอฮ์ตบบาทัวเพิ่มริสกีในะใครรู้ล่ะถ้านอบีย์ไม่สอนจะรู้ล่ะอิสติกฟราร์ธทำให้ริสกีเพิ่มมาไม่ใช่ไปสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่ลดโทษอย่างเดียวเรารอรีสกีเพิ่มอีกอ่ะเพราะว่าริสกีเราก็นึกเงินเงินเงินใช่ไหมล่ะ อสองอัลอิมฟากฟีซาบิลิลาบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นี่มันขวางความรู้สึกใช่ไหมเราต้องการจะหาสตังเพิ่มอัลลอฮ์สั่งให้บริจาคอัลลอฮ์นี่อะไรกันนี่มันสวนทางกันหมดเลยเนี่ยคนที่เป็นมุมินต้องฝืนอารมณ์ต้องฝืนหมด <c oughs> อัลลอฮ์กัว่า เรื่องที่สองครับจะจ ะ, จะริสกีจะเพิ่มนะเอาเอาเอาเงินอย่างเดียวนะต้องติดต่อกับเครือญาติครับในเรื่องที่สามนีเห็นยังบางคนบอกโอ้จะไปตามมาหากินมัต้องไปทักเทิกใครเราแม่ป้มามัต้องไปเยี่ยมเยี่ยมเราแม่ปะเราไปเยี่ยมเขาว่าทําให้ริสกีคุณเพิ่มอ่าผมเล่าฮะดีมีฮะดีะดบทนีนะ่ไงมีพี่น้องกันสองคนมีฮะดีเลยนะ พี่ชายเนี่ยทำธุรกิจก็ให้น้องมาช่วยพอได้ระยะหนึ่งอลัลลอ์ก็เปิดใจพี่ชายว่าให้น้องเนี่ยไปเรียนาศาสนากับท่านนาบีพอต่อมาต่อมาธุรกิจมันจเจริญขึ้นก็ต้องการพรมคนเพิ่มขึ้นทำงานใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ไปหานาบีลอราซูนของอลัลลอ์ฉันต้องการจะเอาน้องฉัน ที่ทำงานกับท่านนะออกมาทํางานกับฉันนบีวรู้หรือเปล่าที่ริสกีกกกกคุณเพิ่มนะไม่ใช่เพราะคุณเพราะน้ อ, นองใครสอนนี่ยเอาเล่สอนนะ่ะเพราะน้องคุณมาอยู่กับนบีมาเรียนกุณอา่านมาเรียนสุนนะนบีขอดูอ่านต่อหรอยู่ตลอดเวลากลางคืนลุกขึ้นมาอาตฮยุดร้องมัร้องให้ การปฏิบัติดีของน้องคุณต่างหากท่าไมริสกีของคุณเพิ่มขึ้นเข้าใจยังเป็นอย่างครับไม่ใช่หาจะเงินเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนนมาด ก, ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาใครสอนคุณนะพราะริสกีมาจาก a, อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นคนให้เป็นผู้ให้อะต้องทำตัวอย่างนี้ถูกตที่นนี่ยพอเรียนศาสนาแล้วอัลลอ์สบายใจทำด้เลเอาต่อมาข้อที่สี ตักวันละกลัวอัลลอฮฺเยอะๆทำห้ริสกีเพิ่มมาเอาเรื่องที่5ครับฮิจรราะอพยพจากมักกะไปอยู่ที่นครมาดีนนะแล้ววันนี้ทำได้ไหมหรือฮิจรราะได้ไหมโคโรนโควิดมาก็ไม่ให้เข้ามักกะด้วยใช่ไหมล่ะเข้ามาฮิจรราะอันนี้อาจจะอธิบายใหม่นะทิ้งจากความชั่วซะหันมาถาแต่ ความดีไม่เคยมาสุราเลยวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองฉันมาหนามาที่มัสยิดเพิ่มขึ้นไม่เคยจับกุณอานเลยวันนี้จับอันานคุณอ่านเพิ่มขึ้นไม่เคยให้อภัยคนวันนี้เปลี่ยนแปลงให้อภัยคนนี่คือพิจรณอุปยพเรื่องที่ห้าเรื่องที่หกอัลฮัจญุวะลา่ามหรอกไปทาํอาหจญ์อ้าวอีกแล้วจ่ายสตางค์แล้วพเงินจะมาจากไหนแล้วมันต้องจ่ายค่าตัว๋วใช่ไหม ไปทำอมร้อยสิไปทำาร์ดีสริสกีคุณเพิ่มเห็นยังอ่ะนี่ถ้าเราไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวเราล้มหมดเลยน่ะบางคนอายุเท่าไรเจิบเงินเต็มไม่เคยทําอมร้อยแต่ไปฮ่องกงไดท้ทุกเดือนอ่ะไปเวียด น, นามได้ไปจีนอ่ะอัลลอฮฺว่าแต่หารีไม่เคยไปอมร้อยไม่เคยไปเข้าใจว่าต้องจ่ายสตางค์เยอะอ่ะเห็นไหมริสกีจะเพิ่มด้วยการไปทําอมระอยและทำฮาร์ ข้อที่เจ็ดตะวั ก, กุ้ลมอบหมายตนต่ออรหันต์ถ้ามอบหมายตนต้องมอบหมายแบบไหนรู้มหมยกตัวอย่างนึกได้ไหมอะไรครับแบบนกตะวักกุล้ลมอบหมายตนต่อเอเหันต์อ้าวมองนกนี่นบีสอนเองนะให้นกที่อยู่ริมบ้านเราเนี่ยตาชามันออกไปหากินริสกีออฟฟิศมันไม่มีด้วยนะบินไปแล้วก็ไม่ไหมตาย ร่วงลงมาอาหารไม่ไม่มีครับริสกีเต็มเต็มบทของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องทําหัวใจเราเหมือนกับนกที่สแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์อย่าไปกลัวจนบริจาคอย่ากลัวจนบริจาคริสกีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นอาต่อมาข้อที่ใดข้อที่แปดแบ่งเวลาฟังศาสนาแบ่งเวลามาเรียนทัฟซี แบ่งเวลามาเรียนฮะดีสแบ่งเวลาฟังศาสนาอยู่กับศาสนาอยู่กับคนดีไปน้องในข้อที่แปดนะข้อที่เกมีเงินมีทองดูแลคนที่เรียนศาสนาเห็นยังครับเอาเงินให้เร า, เ, าเด็กกับพกงอาไเรียนศาสนาเอาไปเยเดือนละห้าร้อยบาทพันบาทเอาไปไปน้องยิ่งบริจาคยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาข้ อ, ข อ, ข อ, ขอที่สิบนะ สงสารคนเออใครนึกว่าการสงสารคนเมตตาคนให้ริสกีเพิ่มใครนึกอะ่ะถ้าเราไม่อ่านกุณอ่านไม่อ่านนะดี๋จะรู้ไหมนี่สิบข้อนะฮัมดูลิลลฮสบาจายังมันไม่ใช่ออกแรงอย่างเดียวฝันไม้เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงขาดทุน <laughs> อลัลฮัมดุลิลาาาลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะัตล่งวา วันกี่ยามนะฟันยาวมูลาทุสลมน u n a p h s u n c h ว่ลาตัจะเจ้านอิละมาคุณตุมตามาลูนดังนั้นวันนั้นไม่มีชีวิตได้ที่จะถูกปฏิบัติโดยอายุติธรรมแม้แต่นอยว่ลาตัจะเจ้านและสูเจ้าจะไม่ถูกตอบแทน ตัวจะรว่าถูกตอบแทนนะอิลลามกุนตุมตามาลูนจากสูเจ้าได้กระทำเอาไว้สูเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนรับรางวัลจากที่สูเจ้าได้กระทำมาคือคุณทำอะไรไว้นะคุณก็ได้ไอ้นนั้นไม่ทำไม่ได้ถึงนาเบลเลยพูดว่าโลกดุนยาไปนี้เป็นแปลงเกษตรกรใจายง่าย ทำมต้ออธิบายอยังไงเพื่อให้คนเข้าใจดุนยาใบนี้เปืนเหยียบเสมือนแปลงอะไรแปลงเกษตรเราปลูกอะไรไว้อะถ้าปลูกอ น, นันตก็ได้อ น, นันเป็นผลถ้าไม่ปลูกอะไรเลยอ่ะจะได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อะไรนี่เข้าใจง่ายๆพูดไปทวนไปทวนมาเพื่อให้เราได้อิ ม, มาลงตังหุลใจของเราเอา้าวยสุดท้ายอินอัศพาบัลจันนะ อินนอัลฮ์บัลจันนติลยาอุมฟีชุกลิมฟาคิฮุนอินนอัลฮ์บัลจันนติลยาอุมฟีชุกลิมฟาคิฮุนอัลลอฮุอะลลัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ สวรรค์มีไหมมีมุมินไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสวรรค์ครับนี่เล่าเรื่องสวรรค์มีจริงครับแล้วคนที่อยู่ในสวรรค์เร like ียกว่าอาชาบุญยันนะชาวสวรรค์พวกนายชาวสวรรค์อารับอย่างเดียวเรอไม่ใช่ ไม่ใช่อาหารับอย่างเดียวเข้าสวรรค์ทั้งโลกนี่แหละใครก็ตามถ้ามีอีมานต่ออรลรคห6ข้ออามันอีกห้าข้อรูปลอิสลามอีก5ข้ อ, อ, ขอปฏิบัติให้มันครบในการแสวงหาริสกีของอรรรคเนี่ยให้ให้ริสกีเพิ่มอีก10ข้อผมอ่านสิทธิ์ของคนที่เป็นตวอวารีตัววารีกระดีนใช่ไหมไม่ได้แปลว่า ในอากาศได้เดินบนน้ำได้มันนะผู้ใหญ่เคยพูดจะฟังใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนที่จะเป็นตะบาลีผมอ่านประมาณหลายข้อล่าสุดสองข้อพอนะพยายามรอคอยเสียงอะไรเสียงอาจารมันจะเสียงเพลงมันจะเสียงดนตรี รอมื่อใดจะได้อาจาย์จะไปมัสยิดจะได้นามาจะได้แปลงฟานอาบน้ำนามาหน้าเป็นคนเต้นโตวลีของอัลลอฮ์อัลลอห์อ่านแล้วหำเลยละสบาใจเลยละหำเลยละรอเมื่อใดจะได้ยินเสียงอะไรเสียงอาจารย์เรสอนอะไรพยายามอยู่บ้านกายโซลาวะไว้ บางคนกลัวเสียงอาจารย์มึงดายมากเสียงหมาหอนแตเป็นไงะอะเอาลองไม่ไม่เก็บภาษาไปหรอเก็บครับแต่ไปแฉในวันเก ม, มากนี่ต้องระวังหมดเลยพระสมภาษาพูดเราต้องระวังหมดเลยนะเรื่องที่สองเวลามามัสยิดเนี่ยบางคนชอบนั่งซอบอะไรซอบหลังๆวันสุกเนี่ยสังเกตได้ไหม มาก่อนเพื่อเลยมันนั่งซอมหลังริมหน้าต่างอะ่ะถ้าซอมหน้าทำไมไม่นั่งอ่ะก็ไม่มีเคยเคยมีใครพูดใส่หูอ่ะฉะนั้นมาจะนอยู่ซอมหน้าเลยแล้วเรื่องที่สามเปิดปร ต, ต, ต, ตวาเลนะหัวใจสะอาดหัวใจสะอาดเขาเรียกว่าซาลามาตุฟอดเลยภาษาหะดีนะหัวใจสะอาด เลอาอสามข้อเนี่ยก็เหนื่อยู่แล้วเป็น้องรองสิอาล่ต่อมาครับอินอัลฮาบบลจันแท้จริงชาวสวรรค์อยามในวันนั้นนี่นะฟีชูลินอยู่ในภารกิจอยู่ในงาน ฟากีฮินภาร ก, กิจอันมีแต่ความสุขความสุขความสุขความสบายฟากีฮินบปลว่าความความผาสุขชูกรุ่นแว่าอยู่ในภาร ก, กิจอยู่ในงานที่มีแต่เตม็มไปด้วยความสุขความสุขความสุขความสุขอยู่ในสวรรค์ <injustice> อย่าไปสวรรค์ไหม ทุกคนอยากไปสวรรค์กันหมดเลยนะครับดูลิลละอยากไปสวรรค์หนึ่งต้องทาดีกับอัลลอ์สองตำแหน่งที่รองลงมาจากอัลลอ์ใครตำแหน่งใครพ่อแม่เห็นยังครับกับพ่อแม่นี่อ่ามพ่อแม่เตียตายไปแล้วอย่าลืมขอดวอ่าราบิฟิลีอะไรวาลิวะลีไดวยะฮามหูมา กามรบยานีสกิโรอดูอาของลูกเนี่ยถึงพ่อแม่หมดเลยเห็นยังอย่าทำชีริกตอโล่ อ, อย่าไปหาโตตะเกียโตระยองดูบงดูหมอทิ้งให้หมดมอบหมายตนต่อโล่แบบนกที่ออกแสวงหาฤกีของมลต้องแบบนั้นครับทํทำยากกันนะ <c oughs> ทำยากแต่ว่าต้องฝึกฝึกตัวเองอทีนี้ในสวรรค์นี่นะเราสัก อีกห้านาทีนะในในสวรรค์เนี่ยอโละจะขจัดความหมุนหมองความเกลียดชังความอิจฉาความหึงความห่วงในสวรรค์อโลขจัดออจากหัวใจหมดเลยวันนี้อโลเอาความหึงความห่วงความตันนี่ขี้เหนียวอิดชัแปะเอาไว้เล็กๆน้อยๆในหัวใจอโลเล่าเอง ฉันเอาความคีเหนียวความร้ายนะหึงหวงเอาช น, นะขอเป็นเอ็เลยกูเถียงแปะไว้นิดเดียวเองเอามาใชา้หมดเลยนะที่เอาร้ให้มาใช่เอามาเหยียบใช่ไหมนะเรียนหาตากว่ามาเหยียบเอาไว้ยกตัวอย่างท่านอบูจัดสอบบ่านะนาบีนะ กับท่านไซดีนาบีลานราดิยลล่าของอันสองคนเนี่ยไซนาท่านอบูซาดเนี่ยพูดตำหนิไซดีนาบีลานเองนะเองนะตัวท่านนี่นะแม่ท่านนะ่ะเป็นคนผิวอะไรผิวดำพูดแค่นี้เองนะนบีได้ยินนบีขานบาอบู อ, บอบาบซาดเอ่ยมานี้มานี้มานีคุณท่านเนี่ยไปเก็บของที่เราเหยียบไปแล้ว ของญาฮิลียาถึงนบีมาปราบหมดแล้วมาเหยียบทิ้งไปแล้วคุณไปแง่ขึ้นมาอาชาอีกเหรอเห็นยังคุณไปแง่ของภาษาเร็วๆอย่างนี้ที่เราเหยียบทิ้งไปแล้วน่ะเอามาใชา่ค่ะสินอับูรัดก็เสียใจเลยนะพอนบีสัมฤิก็เข้าไปนมัสยิดมนามาทตบาบะจวนะ ก็รีบออกไปก่อนไปยืนขวางไปโนอนขวางประตูพอศาสนาบีลานเดินมาบวกเอาเทา้าหู่นเหยียบฉันเป็นขอการขอมาอ้าฟศาสนามีลานคนมีาศาสนาคนอยู่กับนบีนะลอเป็นโมอัลซินด้วยนะมารยาทงามนะก็ก้มไปยกขึ้นมาแล้วก็มากอจะให้อภยัยโุษนั่นเขาขอมาอาฟกันรุ่นนั่นก็ขอกันแบบนี้ เขาไม่ดากันนี่นะพี่น้องท่างหลายยังยังครับเนี่ยมารยาทอย่างเนี้ยสวบ า, าบานอามีทําเป็นแบบหมดเลยถึงรอดิยัลลอฮฺอานุมวรารุดูอานุมอัลลอฮ์พอใจบรรดาสวบ า, าบานอามีพราะทำงานแต่ละอย่างนั้นอลัลลอฮ์พอใจหมดเลยและพวกเขาก็พึงพอใจในคําสั่งของอลัลลอฮ์เอาอีกเรื่องนึงก่อนจบมีแขรของนบีมาคนนึง นบีเอาไปแล้วสองคนคนหนึ่งท่านอบูบักพาไปคนสองคนยังเหลืออีกคนหนึ่งนบีก็ยืนประกาศใครจะพาแขกของฉันไปกินอาหารที่บ้านบ้างคืนนี้มีซาบะรูบครับผมเองครับอ่นานบีพาไปพอพาไปถึงบ้านเสร็จแล้วลไปถามภรรยาอาหารให้แขกหน่อยนะพรรยาว่าของเรายังไม่มีเลยมีแต่ของลูกอะไรเขาวางแผนยังไงรู้ไหมเนี่ยวางแผน พอให้ลูกกินอย่างอื่นไปแล้วก็ให้หลับไปแล้วเราสองคนนี่ก็จุดตะเกียงนะแล้วก็เธอทำตะเกียงดับให้แขกนั่งนั่งกันสามคนแล้วก็ทําตะเกียงดับแล้วก็หาไม่ขินไม่เจอแล้วก็นั่งกินอาหารแต่เราเน่ยยื่นมือแต่ว่าอยากกินให้แขกกินอาหารให้อิ่ม พอตกเช้าขึ้นมาสอบากรนี้ต้องการจะเล่าให้น บ, บีฟังน บ, บีว่าฉันรู้แล้วก <c oughs> ุรานประทานลงมาแล้วอายาไหนรู้ไหมวายุซีรูนาเลาอัฟูซิฮิมวลาเลวกะ น, น บ, บีฮิมขอซอซกคนที่ยอมเสียสละให้คนอื่นได้ก่าาอนพระทั้งคือตัวเองอยากจะกินอุอาหารทั้งคืนน่ะทั้งชีวิตน่ะ ขอคืนหนึ่งให้แข่กินอาหารไนี่แหละเป็นความดีที่อัลลอพอใจฉะนั้นอยู่บนโลกดุนยาเป็นนี้อย่าวังสบายอย่างเดียวนะอย่าหวังสบายหวังอะไรมีปัญหาบ้างเดี๋ยวร้อนมาตามมาต้องนึกวันนี้สบายดีนะผมนี่นึกตลอดนะตอนนี้เดินคล่องหน่อยแล้วเกาจะมาเมื่อไรเนี่ย พี่ท้องครับตัวเาว่าอยู่บนดุน ญ, ญาติเหวังสบายนะมีอะไรมีคู่กันนะสบายลําบากถูกดา่าไม่ถูกดา่าถูกชมโอ้โหพี่ท้องต้องนึกคู่กันแล้วก็ความทุกข์ก็เหมือนกันไม่ใช่มานานความสุขก็มีไม่นานแปบ๊แปบๆสองวันสองวันหายไปแล้วเดี๋ยวความดีก็มาก็อยู่ไม่นานอีกวันสองวันไปแล้วความบ้าอีกมาเยี่ยมต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น อนินอาซาบลยันนะคนที่ชาวสวรรค์เนี่ยต้องอดทนสูงนะจะไปสวรรค์ต้องอดทนสูงอย่าลืมอย่าทาชัริกต่ออัลลอ์แล้วก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วดูแลภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าเตะภรยยรยาอย่าดาา่าภรรยาโอ้โหอิสลามทั้งนั้นเลยนะ س าน ا ن ุลลอฮฺว่าเบยฮัมดีกะอัาดวะอิลาฮอิลลาอันตะอัสตักฟิร์กาวะตูบุอิลย َصَلَى وَصَحَبِهِ اللَّهُ مُحَمَّدْ ا, أ ل ل ยบ้าน